ข้างพุทธการปราบทว่าท่านสนใจทางจิตมากกว่าด้านวัตถุคือมากจริงๆไม่ใช่มากธรรมดาเป็นมื่อเป็นหลังจริงๆถือเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติ พอตกมาสมัยทุกวันนี้เป็นบั้ด้านวัตถุกกงกางข้ามไปเลยเราจะเห็นได้ในะที่ต่างๆแต่พออย่างยิ่งตามวัดธวาอารามมีแต่การก่อการสร้างวประดับเป็นความสวยงามก่อนนันเป็นถือว่าเป็นกิจของระศาสน า, าจริงๆขึ้นมาซะแล้วทางบรธการท้าไม่สนใจในกิจเหล่านี้แต่สนใจในการ พูปฏิบัติเพื่อาำจัดที่เหลกมากยิ่งกว่าทางด้านวัตุการอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยความสง บ, บเงียกเฉพาะพระเราจะเห็นได้เวลาท่านสอนทางเกี่ยวกับเรื่องความสงดเกี่ยวกับพวินัย เวลาพระต้องการไม้ที่จะมาทำประโยชน์อะไรเล็กๆน้อยๆเ น, นี่ยให้โบกมือมองเห็นอนุบาสัมบัต์จะเป็นเนินก็ตามเป็นกระวาดญาติโยมผู้ใดก็าตามที่มีอยู่ในวันนั้นให้บกมือให้คุณนั่นมาแล้วก็บอกว่าเราจะต้องการนี่น ไม่ให้เรียกไม่ให้ตะโกนเรียกแสดงว่าท่านต้องการความสงบหรือท่านอยู่ด้วยความสงัดตลอดเวลาสถานที่ทำความาเปลี่ยนั้งท่านแต่เป็นที่น่าดูแต่เรากลับเป็นสถานที่อยู่เป็นที่น่าดูเป็นเรื่องของโลกแต่สถานที่ทำความเปลี่ยนไม่มี สถานที่เดินจนกลมนั่งสมาธิภาวนาจะเรียกว่าไม่มีก็ก็น่าจะได้กลับเป็นสถานที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอนสะดวกสบายไปหมดตรงกันข้ามที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอนเป็นความสบายก็เป็นเรื่องส่งเสริมวิลึกมากขึ้นเรื่องสถานที่เดินจนกลมนั่งสมาธิภาวนาเป็นที่เหมาะสมเป็นที่สะดวกสบายก็เป็นเรื่องทําเลที่ วาดฟันหันแหลกกับกิเลสนั้นเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งนักเวลาท่านสนทนาธรรมะกันจะสนทนาตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องทำเรื่องเหตุเรื่องผลเพื่อการแก้กิเลกสถานที่ก็แสดงถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ทําความเพียรที่เดินไปอบมสมาธิภาวนาทั้งนั้นเรื่องการบ้านการเมืองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลย ตกงมันข้ามโกงข้ามมดทุกอย่างทุกวันนี้เรื่องธรรมะไม่ค่อมีมีเรื่องการบ้านการเมืยุ่งไปหมดนั่งทุมนุมกันที่ตรงไหนมีแต่เรื่องเดียวกันหากว่าจะพิจารณาจะโปรงธรรมะทางเวทมันก็ควรได้โร่งตลอดเวลามีเรื่องของกิเลสมันจะหมดสิ้นไปได้อย่างไรศาสนา ก, ก็เลยกลายเป็นศัพท์แต่ว่าศาสนาทําอะไรเป็นศัพทแต่ว่าเป็นพิธีเลยพิธีไปหมด นี่พิธีก็เลยออกหน้าออกตาเลยเป็นถือเป็นสาระแก่นสารเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาความจริงก็เลยกลายเป็นกระพี้เป็นอะไรไปสุดท้ายปรมาตามําหนิดศาสนาบ้าหมดเกศหมดสมัยนักผุมนิทานไม่มีอย่างนั้นมีอยู่เยอะถ้าจะมาตามําหนิดตัวที่บ้างก็กลัวจะกระเทือนกิเลสต้องประมาตามิมิจฉาศาสนาซึ่งเป็นการส่งสิงกิเยสได้ดี นยิยมนเข้ามาถึงเราผู้ปฏิบัติวราระของจิตที่คิดไปทางที่สังสมวิริยนั้นมีมากน้อยเพียงไรแวราระของจิตที่คิดเพื่ออัดเพื่อทำอ น, นี่เรนควรจะนํามาทดสอบกันเพราะการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้กล่าวเพื่อตําหนิจิตเตียนผู้หนึ่งผู้ใดแต่เพื่อเรื่องของธรรมที่จะสงเคราะห์เข้ามาสู่ตัวของเราผู้มุ่งหวังต่อธรรมอยู่แล้วและกําลังฟังอัดฟังธรรมอยู่เวลานี้ พูดกันด่าดืงทุกแข่งตุกผลหมอกปกแดงเป็นั้นปกของมนิษย์มนุษย์เป็นอย่างนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องหน่อ ก, อกสำหรับโลกเป็นอย่างนั้นจะให้ชื่อว่าแดงหรือไม่แดงเมือเ่อิเกิดทันหาอา า, ามันพอกุนจิตใจขึ้นมากๆอยู่ที่ไหนมันก็ร้อนเหมือนกันคนนั่นแหละเบียดเยียนคนมากยิ่งกว่าอันใดที่จะมาเบียดเยียนทาลายนอกจากคนเบียดเยียกนกันเอารัดเอาเปรียบกันเพราะมนุษย์ ที่เฉลาดมันทำได้ทุกอย่างเห็นทางศาสนามีความเห็นแก่ใจแก่กันและกันด้วยเหตุโดยผลเป็นต้นไม่มีอยู่ภารในจิตใจแล้วไม่ว่าจะให้ชื่อให้นามรัตธิรืกการกระทำนั้นๆว่าเป็นอะไรก็ตามมันก็คือความเดือดร้อนนั่นแหละที่เกิดขึ้นจากการกระทำ จิตใจของเราเมื่อได้คิดไปในทางที่เป็นเครื่องก่อกวนวุ่นวาตัวเองมันก็ทํานองเดียวกันนั้นถ้าคิดมาทางเหตุทางผลทางอัดทางทำมันก็มีการยับยัง้ทงทั้งทั้งตัวเองและมีการแบ่งสู้แบ่งรับหรือมีการต่อสู้ในสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นค่าสิทธิใจจิตใจก็มีความจเจริญขึ้นได้เมื่อมีความรักษากันอยู่ ใจเปียมเหมือนกับผ้าขาวไม่อิ่มต่อการอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ไม่มีความอิ่มรอสำหรับใจไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่มันมีความอยากรู้อยากเห็นอยู่เป็นประจำความอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างนั่งกับสิ่งที่เข้ามาสัมผัสเกี่ยวข้องภายในจิตใจมันก็เหมือนอน้างสีมาย้อมมาย้อมผ้าขาว สีเป็นอย่างไรผ้าขาวก็ต้องเป็นไปตามสีที่ย้อมจิตใจที่แรกก็ท่านบอกว่าผ่องใสน่ะตามหลักธรรมตั้งกล่าวไว้แต่อาศัยขี้เหล็กที่จรมาความที่กิเหล็กจรมาก็คือจิตนี้เองนี่เองจร อ, ออกไปหาขี้เหล็กออกไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสแล้วก็นําอารมณ์เหล่านั้นเข้ามานั่นแหละที่ว่าขี้เหล็กจรมาคือมากับอารมณ์อันนั้นเนื่องจากจิตไปคว้าประยุทธ์เป็นเยี่ยโอสิง น, นั่นเข้ามาเป็นอารมณ์ของใจ แล้วเข้ามาย้อมภายในจิตใจใกลายเป็นจิตที่เศร้าหมองไปไปด้วยสิ่งต่างๆที่ไม่ดีทั้งหลายท่านกล่าวว้ในธรรมาดูก่อนทุกสุดทั้งหลายจิตเดิมนั้นทองใส แ, งแต่อา ศ, าศาัยกิเลสที่จอนเข้ามาค้าข้าวกับใจใจยง เป็นไปต่างๆตามอารมณ์หรือตามกิ่นที่มาเกี่ยวข้องนั้น่ะท่านไม่ได้บอกว่าเดิมกลิ่เดิมแท้บริสุทธิ์ท่านบอกว่ากลิ่เดิมแท้บริผ่องใสว่านั่นพระภัสนรา ม, มีดังกิ่นตางที่เขาเอานั่นพระพัฒนาราก็บอกว่าพระพัฒสอนคือผ่องใสไม่ได้หมายถึงไม่ได้บอกว่าบริสุทธิ์ถ้าว่าบริสุทธิ์จริงๆแล้วจะมาเกิดไม่ได้ ทวาจิตเดิมแท้บริสุทธิ์จิตเดิมแทบบริสุทธิ์แล้วก็มีปัญหาที่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกถ้าผ่องใสแล้วแน่นอนว่ามีทางเพราะมันก็เหมือนกับเมล็ดต่างๆที่มันเจ็บโ อ, ออะไรไว้ในเมล็ดของมั น, น, นเวลาไปเพาะมันก็เกิดขึ้นมานี่เป็นความสงบของจิตที่มันอยู่กับจิตนั้นมันไม่มีเครื่องมือที่จะใช้ ตาหูจมูกเล่นกายไม่มีมีแต่จิตล้วนๆนั้นมันก็เป็นจิตที่ผ่องใสคือจิตไม่ได้ใช้กิริยานี่พอเข้ามาค้าเข้าวกับส่วนร่างกายมีธาตุมีแล้วก็มีเครื่องมือขึ้นมาจิต ก, ก็แสดงตัวออกได้ตามกําลังของเครื่องมือที่พอจะใช้ได้ขนาดไหนเป็นเด็กๆเล็กๆจริงๆก็ยังใชไมาหลาเต็มเมตรเต็ ม, ตมหน่วย พอเติบโตขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมกันขึ้นมาตาหูจมูกเลี้ยกายก็ใช้ได้เป็นเช่งนั้นแ่ะต่างาดูหูก็ฟังเรื่อยกิเลสก็เข้ามาเรื่อยทีนี้ก็เลยไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรหมดทั้งตัวร่วงแน่ตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหมดคิดตอนในแง่ใดมุมใดเวลาใดอดีตหรือนอนาคตร่วนแย่ตั้งแต่การกอรอ่อป่วยกิเลส สั่งเข้ามาภายในิตใจของตนอยู่ เ, เพิ่มพูนขึ้นไปโดยลําดับลําดับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะแก้มันจึงลาบากเพราะการสั่งสมเราสั่งสมมาตั้งแต่เราไม่รู้จกักยังสาภาวะมันก็สั่งสมมาเรื่อยๆกับไหนกันใดก็สั่งสมมาการที่จะแก้ให้บริสุดเรื่องให้ผ่องใสตามใจมากใจหมายความทั้งคันของตนนั้นมันจึงเป็นไปได้ยากมันควรจะเหตุผลที่จะ มีความสงบหรือมีความผ่องใสไปได้มากน้อยเพียงไรตามแต่เกิดคือการกระทําของเราแต่เมื่อทอําอยู่มาหยุดมาถอนมีการชนะทาราางกันอยู่มีการบำรุงรักษาอย่สม่เสมอจิตก็ค่อยจเจริญรุ่งเรือ ง, งขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ในปัจจุบันของเรานี่จะเป็นชั่วระยะเดือนก็ตามระยะปีก็ตามด้วยการระมัดระวังรักษ า, าจิตคือโดยสม่ําเสมอเราจะทราบเรื่องความเคลื่อนไหวอาการของจิต พร้อมทั้งจิตตัวจิตเองว่ามีความแตกต่างจากแต่ก่อนอย่างไรบ้างมีเราพอทราบได้หากว่าเราไม่ได้อบรมอะไรเลยปล่อยไว้ตามบุญตามกรรมมันก็เหมือนกับหลังห ม, มีคือมันดําเสมือนหลังหมีเออะไรไปถูกมันก็ไม่ทราบว่ามันเปื้อนมันเปรอะอะไรต่ออะไร เ, เพราะมันดําทั้งหมดเลยไม่ทราบว่า มันเปื้อนที่ตรงไหนมันจบกปบกที่ตรงไหนแต่เมื่อมีการช้านั่งโดยลาดับลาดับขึ้นมามันก็พอทราบได้จนเรามาปฏิบัติภายในเดือนนี้เป็นอย่างไรปฏิบัติอยู่เสมอได้รับการอบรมอยู่เสมอภายในเดือนนี้เป็นยังไงเดือนหน้า เ, เดือนต่อมาเป็นยังไงโดยลาดับดับมันก็ทราบมาได้โดยลาดับเพราะผลค่อยปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อย ความสงบแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นบันนี้กลายมาเป็นอย่างนี้นะฐานของจิตแต่ก่อนมีความหยากแม้จะมีความสงบหรือเป็นฐานกิตได้แต่ฐานนั้นกับฐานของกิตอันนี้มีความละเอียดต่างกันนถะ้าพูดถึงด้านปัญญาแต่ก่อนพิจนาเขารู้สึกคุกคักคุกคักไปไหนคิดอะไรก็ไม่ค่อยได้เห็นได้ผลมีแต่ความขี้เกียจนะขั้นต่อมาก็ค่อยได้เห็นได้ผลขึ้นไปโดยลําดับลำดับต่อมาก็คล่องแคล่วเนี่ยผิดกันมากเป็นเรื่อย การเคลื่อนไหวของสติของปัญญาที่ดําเนินอยู่โดยสม่ําเสมอนั้นก็คือการชํานะซักฟอก ค, ความหมุนหมองของวิเวทซึ่งมีอยู่ภายในจิตใ จ, ใจใค่อยๆหมดไปหมดไปใจิตใจก็ค่อยแสดงความป่องใสขึ้นมาเรื่อยๆนี่แหละความปรากฏว่าศาสนาเสื่อมหรือศาสนาเจริญจะปรากฏที่ใจของผู้ปฏิบัติศาสนานั่นแหละไม่ใช่จะปรากฏที่คัมภีรใบลานที่ท่นานเขียนมากี่คมภีร์ก็มีอยู่อย่างนั้น แต่ว่าเสื่อมไม่จเจริญก็เป็นคัมภีร์นั้นว่าบทใดคําใดก็ถูกต้องไปตามที่ท่านเขียนท่านจารึกมาไว้แล้วนั้นจะเสื่อมไปที่ไหนนั่นเป็นอันหนึ่งความเสื่อมของศาสนาก็ ไ, ได้แก่ความเคลื่อนไหวของคนนั่นเองหากิตกลายวาวาจาเคลื่อนไหวไปทางที่ต่ําศาสนาก็ค่อยเสื่อมไปโดยลําดับไม่มีศีลมีธรรมไม่มีเหตุมีผล แม่คำหนึ the land, the land children, the guard, the ่งถึงความผิดถูกชั่วดีศาสนาเสื่อมไปอย่างนั้นการปฏิบัติส่งเสริมทั้งจิตใจของเรารักษาจิตใจของโดยสม่ําเสมอก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาโดยลำดับลําดับนี่แหละศาสนาเจริญคือเจริญที่ใจของเราเหตุก็เจริญได้จากการปฏิบัติโดยสม่ําเสมอนี่เดี๋ยวจะเจริญมาเรื่อยๆผลสิ่งที่เราจะพึงได้รับก็มีความสงบร่มเย็นไปโดยลําดับปัญญาค่อยๆ แตกแขนงออกไปเรื่อยๆขาดกราวจิตใจของต้นให้มีความป่องสายให้มีความแก้วกล้าสามารถขึ้นไปโดยลําดับลําดับเนี่ยเจริญขึ้นเอยๆพา น, นจิตใจนี่แหละเรียกว่าศาสนาจเจริญศาสนาจเจริญกับมรรคผลจเจริญก็ดูในอันเดียวกันขึ้นอยู่ในจิตนั่นแหละเวลานี้เรามาบำรุงศาสนาคือบํารุงจิตใจของเราให้มีความจเจริญทันกับเหตการต่างๆที่เคยเป็นค่าสึกต่อจิตใจ สติปัญญาฟิตขึ้นเรื่อยๆพยายามค้นคว้าในสิ่งที่มีอยู่เราติดสิ่งที่มีอยู่นี่แหละไม่ได้ติดในสิ่งที่ไม่อยู่ที่ที่ไม่มีรากก็รากสิ่งที่มีอยู่เกลียดโกรธชังก็สิ่งที่มีอยู่การแก้จึงแก้สิ่งที่มีอยู่นี่ที่ถือว่าเป็นค่าศึกคําว่าแก้ก็ได้แต่แก้ความรู้ความเห็นของตนเองให้ไปในทางที่ถูกเมื่อถูกแล้วก็คอยปลดปล่อกันไปเรื่อยๆ จิตใจก็เบาเมื่อภาระคือกิเลสอาสวะทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากการยึดมัน่นถือมัน่นมันเบาลงไปเบาลงไปปิดก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นปัญญานั่นแหละเป็นสิ่งสําคัญที่จะถอดถอนกิเลสแต่ละตัวแต่ตตัวแ่ละประเภทเรื่องของปัญญาทั้งนั้นสมาธิเป็นสิ่งที่จะล่อมใจิตใจเข้ามาสู่จุดที่หมายเพื่อจะดําเนินงานได้สะดวก ถาว่าจิตไม่มีความสงบเลยนี่เราจะพิจารณาทางด้านปัญญากลายเป็นสัญญาวุ่นวายไปหมดหาเหตุหาผลไม่ได้นอกจากจนกรอกเป็นมุมจริงๆ จ, จะนําปัญญานั้นมาใช้เพื่ออบรมให้เป็นสมาธินั้นได้นะเวลาจําเป็นจริงเราก็ถือเอาทุกเวทนาเป็นต้นหรือจนกรอกด้วยเหตุอันใดแล้วถือเอาความจนถือเหตุที่จนกรอกนั้นถือสิ่งนั้นเป็นเป้าหมายหรือเป็นตัวเหตุสําคัญที่จะต้องพิจารณาให้ทันกับเหตุการณนน์นั้นๆนี่เกิดความเฉลียวฉลาด ขึ้นมาได้จิตก็ยังเข้าถึงจุดหมายที่ต้องการได้แต่ธรรมนาจิตจิ้ไม่ควรมีความสงบภายในจิตใจเลยนี้เราจะพิจารณาทางด้านปัญญาไม่คว่าจะได้ผลเท่าที่ควรพอพิจารณาไปที่แรกก็ก็ดูเหมือนเป็นปัญญาขั้นต่อไปก็ต่อไปต่อไ ป, อไปก็ค่อยทะเลทลายทะเลทลายไปเลยกลายเป็นทัญญารมไ ป, ไ ป, ไปเรื่อยๆเหมือนธรรมดาที่ไม่เคยพิจารณาเลย นั่นท่านยังสอนให้จิตมีความสร้งอกสมาธิอบรมปัญญาตามหลักธรรมท่างกล่าวไว้ว่าสมาธิปริภาวิกาปัญญามั่บะพลาโมฮ า, าในสร้างู้ติภารในสร้างสร้างสมปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอะไรสูงมากปัญญาปริภาวตังจิตตังสัมมาเดวะอสเวหิมุจติจิตที่ปัญญาอบรมแล้วย่อมบุดพ้นจากที่เลือดทั้งกวงโดยชอบนาน เนที่ปัญญาจะก้าวเดินได้โดยความสะดวกสบายก็คือมีสมาธิความอุ่นหนาฟ้าข้างอยู่ภายน จ, จิตใจถ้าเราจะเทียบถึงธาตุขันธ์ก็คือธาตุขันธ์ก็ได้รับทานอาหารมาพอสมควรแล้พักผ่อนนอนหลับให้มีความสะดวกสบายแต่ทำหน้าที่การงานอะไรก็ได้จิตใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะความหิวโหยเป็นเหตุนี่ จิตใจที่มีความสงบย่อมไม่หงุยต่ออารมณ์ทั้งหลายเหมือนจิตใจที่ธรรมดาซึ่งไม่ได้มีความสงบเลยเมือ่อจิตใจสงบเราจะพาพิจารณาแยกแยะเหตุเรื่องอะไรก็ตามอันก็เป็นเหตุเป็นผลไปโดยลำบาดลำดาตามหน้าที่การงานที่พาให้ทําปัญญาก็ทําหน้าที่ไปตามงานนั้นๆโดยไม่ต้องทะเลทลายไปไหนปัญญาจึงเป็นสิ่งสําคัญในเมื่อมีสมาธิ อบรมแล้วพิจารณาคล่องแคลวไปโดยลาดับนี่เป็นขั้นหนึ่งในการที่จะกล้าออกทำปัญญาแต่กรณีพิเศษที่ว่าปัญญาลมสมาธินั่นก็เคยได้อธิบายไว้แล้วนั่นถึงคราวจนตอกเป็นมุมเข้าจริงริงปัญญาจะหมุนตัวไ ป, ไปทันทีทันใดและได้เห็นเห็นผลประจักษ์คือจิตจะแนวลงไปโดยลาดับ เพราะอำนาจของปัญญาที่ทำด้วยความจดจ่อจริงๆทำแบบเอาเป็นเอาตายเข้าว่ากันเลยไม่สนใจกับงานอื่นสิ่งใดทั้งหมดตั้งหน้าตั้งตาทำธุระหน้าที่นั้นอันนั้นในปัจจุบันทันด่วนก็เห็นผลขึ้นมาเบื้องต้นของการเรียนปัญญาต้องอาศัยสมาธิเป็นหลักตายตัวเป็นสิ่งสำคัญอยู่มาก แต่พอปัญญาได้ก้าวเดินไปแล้วเรื่องสมาธินั้นจะค่อยด้อยลงด้อยลงไม่ค่อยจะมาสนใจอะไรมากกับสมาธิจิตจะเทินต่อการพิจารณาไปเลยการพิจารณาก็จะหมายถึงพิจารณาอะไรก็พิจารณาสิ่งที่มีอยู่ติดอยู่นั่นแหละอะไรเราติดนี่พูดเท่านี้เราก็ทราบแต่พ่ออย่างยิ่งก็คือธาตุคือขันจิตมันติดที่นี่จึงค้นคว้า ส, สิ่งเหล่านี้ออก ให้เห็นชัดเจนคือคลี่คลายออกดูเห็นประจักษ์ครั้งนี้ครั้งนั้นหลายครั้งหลายหนก็ค่อยแก่มแจ้งขึ้นไปเองเช่นเดียวกับเราท่องหนังสือท่องหนึ่งสองหนม่งจาไม่ได้ท่องหลายครั้งหลายหนมันก็จําได้เองมีหมายถึงความจําท่องหลายหายหนมันยังจําได้ปัญญาความคินิพิจารณาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าค่อยเข้าใจคราวนี้เข้าใจคราวหน้าเข้าใจหลายครั้งแลายคราวไปมันก็แนบสนิทถึงใจซึ่งถึงใจต่อยได้เลยนาน น, น้ำว่าพายุโตก็ฮวยก็โตทําให้มากเจริญให้มากไม่ว่าสิ่งใดเจริญจนกระทั่งถึงถึงขีดถึงแดนหมายถึงความเข้าใจจริงๆแล้วมันปล่อยของมันเองมันเพียงแต่ว่าพิจารณาแล้วนี่เราเข้าใจแล้วครั้งนั้นเราเข้าใจแล้วทั้งนี้เราไม่พิจารณาอย่างนั้นก็ไม่ได้จะพิจารณากี่ครั้งกี่วัก็ตามความเข้าใจนั่นเป็นบทเป็นบาตรฐาน สืบเนื่องกันต่อเนื่องเป็นลําดักหนักจนกระทั่งถึงความเข้าใจเต็มภูมิเมื่อเข้าใจเต็มภูมิแล้วก็ปล่อยเองอันเรียกว่าพอถ้ายังไม่พอแล้วต้องพิจารณาจนพอเมื่อพอแล้วจะให้พิจารณาอีกก็ไม่ยอมพิจารณาเพราะพอแล้วนี่จะพิจารณาอะไรมันรู้เองเช่นเดียวกับรับทานอิม่มนะแต่บางครั้งไม่รับทานยังไงมันก็รับไม่ได้ก็มันอิ่มแล้วจะรับทานงไงอีกงาน ปัญญาเป็นสำคัญเนื่อถอดถอนกิเลสเป็นวักเป็นตอนไปได้เดยนลำดับเห็นประจักได้ด้วยปัญญาสมาธิเป็นเครื่องตะลอ่อมกิเลสเข้ามาสู่จุดหรือตะล่อมจิตเข้ามาให้สู่ความสงบเพื่อเพิ่มพลังแห่งการพิจาณาทางด้านปัญญาพอปัญญาก้าวเดิน ตามขันต่างๆหรือข้าวเดินตามอริยสัจก็ได้หรือตามขันอะไรก็แล้วแต่จะพูดเผลนไปเพลินไปถอดถอนกันได้เข้าใจกันได้เป็นลำๆๆๆดับลำดานั่นเป็นปัญญาขั้นเธลินผลลายได้ปร า, ปรากฏททำไมจะไม่เพลินในการงานต้องเพลินไม่ว่างานนอกงานในเมืเม่อทำลงไปเห็นผลประจักษ์โดยลาดับลาดับก็ต้องมีความพยนผันเพลินขึ้น ทำอะไรๆไม่ได้กมีแต่ความขี้เกียจแล้วไม่อยากทําำจิตที่ยังไม่เห็นผลในการพิจารณาก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันต้องในบังคับบัญชาทุกยากลําบากเหน็ดเหนื่อยเมือม่อยล้าขนาดไหนก็ต้องบังคับบัญชาให้ทําเมื่อเห็นผลขึ้นมาครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วก็จะค่อยมีแต่จิตแต่ใจไปเองต่อไปเมื่อผลสุดเมื่องเป็นลำดับประจกักษ์อยู่กับใจโดยไม่ละกันแล้วเรื่องความพออยันหมั่นเพียรไม่ต้องบอกเป็นขึ้นมาเอง รถอันใดที่จะยิ่งกว่ารถแห่งธรรมนี้ไม่มีในโลกธกาตุวิวัฒนาทันจังว่ารถแห่งธรรมสนะถึงรถทั้งปวงแต่ว่าทั้งปวงก็หมดเพราะได้ปรากฏขึ้นที่ใจแล้วก็ทำให้ดูดดึงซึมซาบหรือซาบซึ้งมีความขยันหมั่นเพียรที่จะเพิ่มรถขึ้นไปโดยลำดับด เพิ่มความเห็นความรู้ให้ซึ้งเข้าไปในธรรมทั้งหลายโดยลำหนักลำหนักนี่แหละความขายันหมั่นเพียรเป็นมาเองอย่างนี้นไม่อย่งนั้นจะเรียกว่าเป็นมหาสติมหาปัญญาไม่ได้ทีแรกก็ล้มลุกคลุกคลานไปตั้งได้บัง่งไม่ได้บ้างล้มไปบัง่งตั้งได้บัง่งแพ้บัง่งชนะบัง่งเอากันไปถูไถกันไปด้วยความเพียรของเราต่อมาความชนะก็มีมากขึ้นมากขึ้นผลสุดท้ายคำว่าแพ้ ไม่มีเลยอให้ตายซะดีกว่าถ้าจะแพ้ที่เด็ดตัวนั้นตัวนี้ตัวใดก็ตามขอให้ตายซะดีกว่าที่จะมาแพ้หน่ะถึงขั้นนี้แล้วยเป็นไม่ยอมถอยมีท่านอย่ปัญญาเต็มมรดหรือมหาสติมหาปัญญาพ อ, อกมาจากปัญญาที่ล้มลกุกคลุกขานั่นแหละแต่เพราะความบำบุงความส่งเสริมฝึกหัดอยู่เสมอก็ต้องมีความคล่องแคล่วกล้าขึ้นเป็นธรรมดาเรือพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันนี้ละเยดละเอียด ก็เพราะปัญญานี่แหละหลงก็เพราะความไม่พิจารณาเวลารู้ก็รู้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยไม่รู้ที่ไหนหลงก็หลงสิ่งที่มีอยู่เวลารู้มันรู้ซึงอ๋อมีอยู่กับตัวทําไมแต่กต่อนไม่รู้กันทําไมถึงมารู้เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เพิ่งจะมาปรากฏในขณะนี้เท่านั้นมีอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมทําไมความรู้ไปที่ไหนแต่ก่อนถึงไม่เห็นไม่รู้ทําไมเพิ่งมารู้เดี๋ยวนี้ทั้งๆที่สิ่งนี้มีอยู่มาตั้งมีอยู่แต่วันเกิดนี่มันเป็นโทษของตัวเอง ขนาดที่เจอก็ไปเจอก็แบบคือเจอความจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ถ้าลงได้จริงอย่างนั้นรู้ตรงไหนมันก็ละมันก็ถอนออกไปเรื่อยๆขันตั้งห้าพระพุทธเจ้าท่านละได้เนี่ยท่านเคยหลงขันตั้งห้าแล้วท่านมาพิจารณาก็รู้ขันตั้งห้าปล่อยวางขันตั้งห้าสาวกอราหารันท่านก็เป็นนักหลงเมื่อการเช่นเดียวกับพวกเราหลงโลกหลงสารไมนมีเกินหน้าพวกมีจฉาเหตุ ผมมีกิเลส ต, ต้องหลงด้วยกันทังนั้นไม่ทราบว่าใครจะแข่งใครใครจะเก่งกว่าใครมันเท่าเๆกันเราจะเข้าใจว่าเรามีกิเลสคนอื่นไม่มีกิเลสเลยมันเหมือนเหมือนกันไงในโลกอันนี้แต่เพราะความภาคเพียรพยายามทําอยู่โดยสม่ำเสมอสิ่งที่หลงก็ค่อยรู้เข้ามารู้เข้ามาค่อยถอดค่อยถอนเข้ามาอย่างธาตุขันนี่ก็มันไม่ได้ใหญ่เท่าภูเขาแต่มันหนานแน่นยิ่งกว่าภูเขาแทงไม่ทะลุ ง, ง, งา่ายๆ ออือยกไม่ขึ้นระ ว, วังเลยยกขึ้นสู่ใจลับมันไม่ขึ้นอันนี้จังทุกข์ของหน้าต่างมันปีนเตียวอันนี้จังทุกข์ของหน้าต่างคือความทุกนั่นไปเสียอย่างเดียวมันหนักมันหนาพอปัญญาสอดแทรกเข้าไปโดยลําดับดับทะลุไปหมดพอทะลุขันห้าแล้วทะลุหมดทั้งโลกทะลุขันห้าแล้วยังไม่แล้วทะลุจิตทะลุอวิชาที่มีภายใจิตอีกทีนี้โล่งไปหมด ถ้ามีอะไรติดแหละนั่นก็มีติดอยู่ภายในตัวเองนี่เท่านั้นตัวเองติดตัวเองตัวเองบังต you <Land papa, S 2> yes, ัวเองความโง่บังความรู้ความสลาดแต่ว่าอะไรอวิชชาบังนิจฉาวิเวทบังธรรมพอใช้ปัญญาพิจารณาค้นคว้าเข้าไปขุกค้นเข้าไปขุกค้นเข้าไปอเมฆหมอกเมงหลไรที่มันปิดเมธิติอยู่ภายในจิตใจนี้ค่อยเบิกกว้างออกไปขยายตัวออกไปขยายตัวอไปก็แทงทะลุไปหมด นั่นแหละท่านเนี่ยโลกวิทูรู้ตรงที่มันมืดมืดนี่แหละโลกโลกวิทูรู้แจ้งโลกคือโลกธาตุโลกขันเป็นโลกที่มืดที่สุดเป็นโลกที่หนาที่สุดยิ่งกว่าภูเขาทําลายไม่แตกภูเขาทั้งโลกเขาทําลายแต่กระจายหมดแต่ธาตุขันนั้นนี้ทําลายไม่แตกต้องเอาสติปัญญาเข้าทําลายโดยสม่ำเสมอไม่ลดนะเมื่อเลือดธาตุเลือดขันออก สู่ความจริงคืออันนีต้ตามทุกข์ของตาล้นล้วนด้วยความซึ้งภายในจิตใจแล้วค่าสึกก็ไม่มีหมดค่าสึกในคันนี้อา้าวพอไปอยู่ในที่จิตที่เละตันหาสภาวะ ม, มีที่หลบซอนจะไปอยู่ในรูปในเวทนาสัญญาสังขารมิ ญ, ญารก็ถกถูกตีต่อนด้วยสติปัญญาแไปวิ่งเข้าไปสู่จิตอ่าตีตอนเข้าไปสู่จิตอีกเอาให้แหลกไปต่าๆกันหมดจิตจะสูนย์ก็ให้ศูนย์ไม่มีความเสียดายเลยว่าเมื่อ จิตถูกการถูกพิจารณากลัว จ, จ, จิตจะคิตหายกลัวจิตจะล่มจมเอา้าไม่ต้องกลัวความกลัวนั่นแหละคือกิเลสอยู่ที่ตรงนั้นมันไม่อยากให้แตกต้องโอ้นลงไปที่จิตฟานฟาดฟันลงไปที่จิตจนแตกกระจายเมื่อวลาแตกแล้วจิตไม่ได้แตกมันเป็นเรื่องของกิเลสแตกต่างหากเป็นกิเลสสลายไปต่างหากจิตไม่ได้สลายกลายเป็นความมรรสขึ้นมาทั้งดวงนั่นแหละท่านเรียกว่าพุทธพุโทโธทีแรกแเราก็นําพระพุทธเจ้า พระนามของพระเจ้าเข้ามาบริกรรมมาพุโทโธพุโทโธโดยอาศัยพระนามอันนี้เป็นที่อาศัยเป็นที่เกาะของจิตพุโทโธพุโทโธขั้นต่อไปต่อไปคําว่าพุโทโธกับความูขของเราค่อยกลมกลืนกันเข้าไปโดนดับจนกลายเป็นอันเดียวกันแล้วคําว่าพุโทโธก็ปล่อยได้ในขณะนั้นนี่ก็เป็นพุโทโธขั้นหนึ่งพุโทโธขั้นนี้กล้าเขาจะกระทั่งถึงพุทโธขั้นบริสุทธิ์หลุดพ้นจากวิชาสังหาอสวะทั้งหมดนั้นเป็นพุโทโธที่แท้จริง เป็นธรรมโมทแท้เป็นสังโฆแท้พุทธธรรมสังฆะเป็นอันเดียวกันในขณะนั้นอาการตามอาการถนาดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์น่นพูดตามหลักสมมุติที่โลกมีสมมุติให้นก็แยกประเภทออกไปพระพุทธเจ้าคือศาสตรดาที่ทรงสั่งสอนโลกโดยอาศัยพระธาตุพระขันธ์อะไรอย่างนี้พระสกุลกายนี่ประกาศสอนโลกอันนี้เราคิดว่าพุทธะนี่เรือนร่างของพุทธะคือสกุลกายธรรมะก็ได้แจง ธรมปดีโพที่มีความสว่างกระจ่างที่อยู่ในท่าไทยที่บริสุทธิ์นั่นแหน่ <Yeah. S 1> สังฆะก็คือผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ uh. ตามพระพุทธเจ้าท่านหนึ่ท่านแยกเป็นประเทศประเภทออกพอถึงความจริงล้วนแล้วคําว่าพุทธธรรมสังฆะนั้นเป็นอันเดียวกันเลยคือเป็นธรรมทั้งแทงฉันใดฉันนั้นเหมือนกันหมดอาการไม่มีอาการพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพระธรรมเป็นอย่างนี้พระสงฆ์เป็นอย่างนั้น นั่นไม่มีมีแต่ธรรมล้วนนภายนจิตที่สว่างสวหมดสมมุติว <c oughs> ่าอดีตอนาคตการสถานที่ใดๆทั้งหมดไม่มีความหมายสำหรับจิตตรงนั้นนั่นแลคือจิตที่พ้นจากสิ่งกดท่วงบรรดาสมมุติน้อยใหญ่ไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายนจิตใจนี่คือผลแห่งการรักษา <c oughs> การปฏิบัติจิตใจบารุงจิตใจโดยสม่าเสม อ, อยาก ก่อตามง่ายก็ตามผ่านไปด้วยความเพียรทั้งนั้นจนกระทั่งถึงจุหมายปลายทางผู้นั้นเป็นผู้พ้นแล้วจากความจองป่าช้าเป็นนักเกิดแจกจิตตายนักแบกทุกข์ให้ลำบากลำบดเป็นผู้พ้นไปแล้วยังแต่ขันก็เป็นขันล้วนๆ อ, อาการอะไรที่เจ็บปวดผู้นั้นกลุ่มนี้ก็ทราบไปตามธรรมชาติของมัน ที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นบังคับให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะทางเดินของอนิจจังทุกขังตง า, ตาทุกขังอ ต, ตาต้องเดินไปตามหลักธรรมชาติของเขาผู้ที่รู้ความจริงแล้วก็รู้ตามธรรมชาติของมันต่างอันต่างกินพอถึงวาระสุดท้ายแล้วทนไม่ไหวเหลยต่อยทิ้งเสียหมดกังวลหายห่วงโดยประการทั้งปวงนั่นแหละคือธรรนิพพานบริสุสุขแท้ๆคือนิพพานล้วนๆอหิวปาที่เสียสนิพพาน หมายถึงจิตที่พ้นสมมุติความรับผิดชอบโดยประการทั้งปวงแล้ ว, วการกล่าวมาทั้งนี้อยู่ที่ไหนทำที่กล่าวมาทั้งหมดถ้ามาอยู่ที่ผู้รู้เวลานี้ไม่มีที่อยู่ผู้นี้เป็นผู้รู้แต่เวลานี้เป็นผู้เป็นยังผู้ยังหลงยังไม่สามารถที่จะทําความรู้นี้ให้เต็มภุมิแห่งความรู้ล้วนๆได้ งต้องอาศัยการซักฟอกเพื่อการคือปฏิบัติการได้ยินในฝั่งจนกระทั่งถึงจั่วตัวเองได้เต็มความสามารถบรรลุถึงความเต็มภูมิแล้วมันก็เหมือนกันหมดการแสด ง, ร ง, ส ง, งธรรมเป็นวัุสมวรวัตถุติอย่างนี้น